ทุกวันนี้ก็เราก็มีชีวิตมีกายมีใจทำการเรียนหนังสือก็ทุกวันทุกวันพอทำหน้าที่ อยู่ที่บ้านอยู่ที่โรงเรียนอยู่ที่ทํางานอยู่ที่ไร่นาแล้วก็มาที่วัดก็มีกิจกรรมทำวัดเช้าทำวัดเย็นทำความสะอาดก็มีหลายอย่างากิจกรรมที่สำคัญที่วัดก็ งานปฏิบัติธรรมที่นี้ก็สอนงานเริญสติยกมือสร้างจังหวะก็ดีเดินจองกรมก็ดีเป็นที่ทำให้เกิดสติปัญญา เป็นคุศลที่ทำให้ชีวิตของเราเป็นกฎงามชำระจิตใจให้สะอาดก็ไม่ให้ทุกข์เป็นคำสองของพระพุทธเจ้า เป็นธรรมาก็สอนละออกจากความทุกข์ฉุดมุ่นหมายก็หมดทุกสิ้นเชิญโดยการปฏิบัติธรรมลองดูไม่ได้คิดอ่านหนังสือ แต่เราก็รวมมือปฏิบัติรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สำกัญคืออรดิยสัตซีทุกสมุทยัยมีโรดมัดนี่ก็มี คำสั่งสองขพระพุทธเจ้าที่สำคัญอยู่ในนี้หมดทุกขังก็เราก็ไปยามที่เห็นทุกเป็น ทุกมันเกิดขึ้นแล้วก็ต้นดูมันยอมรับมันมันก็แปลงอาการแผ่นผมแล้วก็ไม่ใชเขียยคานความทุกข์ หรือว่าก็ดันหนีไม่เห็นไม่ดูทุกอันนี้ก็ผิดพาดแล้วที่น้าทีของเราก็เห็นทุกเข้าใจความทุกเหมือนกับว่าเราก็มีผดท h o หรือว่าเจ็บคมีอาการที่ทางกายมันเกิดขึ้นถ้าเราไม่เห็นมันแล้วก็สูบยาก็ดีกินเล้าก็ดีมันไปเรื่อยๆ อ, อาจจะเป็นเป็นโรคลายแลนก็ได้อาจจะเป็นโรคปอดมันเรีนปอรหรือว่า อะไรต่างๆแล้วเราก็ไปหาหมอให้เช็คแล้วก็บางทีก็ใช้เอ็กซเรย์ตรวจแล้วก็ได้รู้ว่าเอออันนี้ก็เป็นอาการก็มีเหตุเป็นอย่างนี้อย่างนั้น แม้ว่าปวดท้องก็มีสาเหตุมันหลายอย่างปวดท้องปวดกระเพาะอาหารหรือรั้นไส้เราก็ให้หมอเช็คดูแล้วก็รูก็ด้วยรักษาที่เป็นถูกต้นโรคทางใจก็เหมือนกัน แล้วก็มันความทุกข์บันทีความโกรธความอยากความล้มต่างหากประานนี่ก็เป็นสาเหตุเราก็รู้ถ้าเรา มันผิดพลาดแล้วเหมืนอนกับว่าร่างกายร้อนมันเต็มหวัดอาร้องก็เลยเอาเอาน้ำเข็นอาบน้ำน้ำเข็นเพราะว่าอาคาอาคารร่างกายมันร้อนถ้าอย่างนี้อาจจะเป็นไข้มันขึ้นเป็น ไม่ถูรักษาไม่ถูกต้งแต่ว่ารักษาถูกต้องก็พักผ่อนบ้านกินยาที่ถูกต้งบ้านกินน้ำบ้านให้ร่างกายอบเอิญก็หายได้ มันก็รักษาถูกต้อมก็ปังหาจิตใจก็เหมือนกันแล้วก็ไม่ตหลงความทุกข์ก็ได้ความทุกข์นี้ก็มีเหตุผลทุกอ่าทุก ก็เลยเราก็พยอย่างที่จะรักษาโลกตาณใจเลวกพอรู้ว่าเอ้านี่แหละมันจิตหุ่นซ้ำไปคิดปรุนเตนไปเรื่องอดีตอนาคตไปเรื่อยๆหรือว่าว่าดาในใจ มันทีก็ว่าด่าคนนี้คนนั้นบานทีก็ว่าด่าตัวเองนี่แหละเป็นทำให้มันจิตเศร้าหมองโยเฮแล้วก็มันตัดร้อมมากขึ้นแต่งควรปั้นเรือนอนาคต กวาบ่นใจว่าทถ้าเป็นอย่างนี้จะถ้าเป็นยังไงจะตายตายตายแล้วก็เอาอาดีตมาที่เราก็เป็นเห็นจิตภาพแล้วก็คิดสร้าง มันก็เป็นเป็นความคิดที่มันเรื่องอดีตอนาคตนี่ถ้าดูดีๆก็เป็นเรื่องปัจจุบันที่เราทำงานในใจมันความคิดเป็นการกระทำที่ทำในปัจจุบันนี้ ไม่ใช่เป็นอดีตไม่ใช่เป็นอนาคตคิด응สร้างเครียดนี่ก็ไม่ใช่ธรรมอดีตอนาคตมันทำวันนี้ปัจจุบันนี้ถ้าเรารู้ถ้ารู้ตั้งว่าการกระทำในใจ ที่เรากำลังทำอยู่ในปัจจุบันนี้ก็แก่ได้ในปัจจุบันนี้เองเราไม่ต้องกลับไปอน า, าอดีตก็ได้หรือว่ารออนาคตก็ได้เราก็ให้จบเรื่องราวที่เรากำลังสร้างอยู่มันจบลงไป ก็จะเสร็จได้แล้วก็มีสติก็ช่วยได้เพราะว่าเราก็ให้เตื่นได้ความคิดนั่นเต็มฟันฟั น, ฟ, นฟันที่ความคิดร้ายฟันร้าย แม้ว่าเปิดตาแต่ว่าจิตเราก็มันหลับอยู่ผันอยู่จิตอธิตนานาก็ไ้ที่เราํำลังจะสร้างขึ้นอยู่ ก็หารู้มันตื่นให้เบิกบานในปัจจุบันนี้ด้วยการเอื้อใจจิตสติว่ากำลังคิดอย่างนี้อยู่ถ้ารู้แล้วก็เรืน่นี้ก็จบสิน้น เพราะว่าเราก็ยึดไปแล้วเราก็ไม่ต้องโถสื่อกับมันก็ได้มันก็เป็นฟันเฉยๆมันกับว่าความมืดเราก็ไม่ต้องสื่อกับความมืดได้ให้จุดไฟ แล้วก็สว่างขึ้นไปเอนจิตใจก็เหมือนกันแล้วก็รู้แล้วเบาไมได้ทำสารเรื่อนต่อไปนันเป็นเรื่องจิต ใจไม่ได้เรื่องด้านนอกเรื่องร่างกายบันทีทุกบันทีก็ทุกก็กาตวตายก็มีของกาตัวตายเพราะว่ามังทุกแต่เขาก็มังแก่ไม่ถูกต้นเพราะว่า มีปัญหานี่ไม่ใช่กายนะาร่างกายก็ไม่ต้องก็ได้แล้วก็ให้จบสิ้นเรื่องราวอยู่ที่ใจที่เราใช้ทำงานสร้างอยู่ให้จบสิ้นไปแล้วก็แก้ไขได้มันถูกต้มเพราะอันนี้ก็เรื่องใจใจมันทุก แล้พวกเราก็รืมแล้วว่ามีเหตุผลอยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าก็สองให้มันจิตใจนักเองเป็นเหตุสาเหตุทำให้เกิดขึ้นทุกเป็นสมุทยัย อย่า on ียร์สัตสีกที่สอนว่าต่างหาปัตานั่งเองก็ทำให้เกิดทุกข์ไม่ใช่อนนั่งว่าดาราไม่ใช่ร่างกายสุขภาพไม่ค่อยดี อันนี้ไม่ใช่ทําให้เกิดทุกข์ได้เพราะว่าเราจิตใจเป็นสงบสุขได้เป็นปกติได้แล้วก็เลือกได้นะก็ถ้าเรามีสติก็ชีวิตก็เป็นเลือกได้ ถ้าดนไม่สวยก็ให้สวยได้ในปัจจุบันนี้ถ้าเรามีสติก็ก้าวหนึ่งต่อไปเราก็เลือกได้เราก็เป็นผู้ที่เลือกได้ก็มีอิสระ ไม่ใช่เป็นธาตุเป็นสัญชาติญาณธาตุของความเป็นมาแล้วก็มีสดชื่นในทุกนาทีทุกวินาทีตอนเช้าตื่นสาย เราไม่ได้คิดว่าตัวแอนนี่คนที่ตือนชาไม่ได้ถ้าเราก็เตือนชาไม่ได้ว่าตัวฉันไม่ได้อันนี้ก็เป็นติดกับเป็นตัวตนแล้วก็สะกดจิตของตัวเองให้เป็นอย่างนั้น เราก็เทืนเจ้าในวันนี้ก็เป็นผู้ที่เทืนเจ้าได้อยู่แล้วแล้วก็ว่าตัวเองเป็นง้ออะไร ก, ก็ไม่ต้องบอกก็ได้เราก็ให้รู้แล้วก็เป็นผู้เจรจาในปัจจุบันนี้ได้ เราเป็นผู้ทุกข์ฉันเป็นทุกคนทุกก็ไม่ต้องว่าไดา้เพราะว่าเราก็ตื่นแล้วก็รู้แล้วในอาการจิตใจก็ฉลาดแล้วมีปัญญาได้แล้วไม่ปัจจุบันนี้ปัจจุบัขนขันนะนี่ มันความกรดเกิดขึ้นนี่ก็เป็นบทเรียนก็ว่าได้ถ้าเรารู้เทารู้ทันไม่เป็นถ้าเป็นมาแล้วก็อาจจะเป็นคิดสงสารบันจนีตอนแรกก็เออดกนิดหน่อย แต่เราก็ไม่รู้มันเผลอไปแล้วก็คิดไปเป็นเรื่องเป็นราวก็กรอดหม้อหอที่ก็ว่าดา่าด้วยวาจาบางทีก็เอากายเป็นเอากายใช้ทะเลาะกันเจ็บตัว แต่ว่าเราก็รู้เถ่ารู้ทันตอนที่ยังไม่เป็นใหญ่โตก็มันเป็นรู้ว่าอา้างความกรดของเรานี่ไม่ใช่ไม่เหมือนกับความกรดของสัตว์เดรัจฉานความกรดของสัตว์เดรัจฉานนี่ ก็เพราะว่ามันชีวิตของกายมันอันตรายสัญชาตยางก็ทนสู้ต้นนี้ทอสื่อมั น, ม, น, ม, นมันกวามกรดมันก็เกิดขึ้นแต่ว่าความโกรธของเรานี่ ก็มันคนละอย่างกันเพราะว่าเราก็มีอันตรายต่างกายขนาดนั้นเสียชีวิตนี่ก็ไม่ก็มมีโอกาสมากเสม้นมากของเราก็จะยึดถือกับตัวตนไม่ให้ตัวตนปาดเจ็บไม่ต้ตัว อาไม่อยากให้ตัวตนนี่เสียทำลายพือเราก็ป้องกันรักษาตัวตน จ, จริงๆแล้ว ก, ก็เราก็ไม่ต้องรักษาไม่ต้อง เอาเป็นตัวตนเป็นยึดมั่นถือมั่งก็ได้ปเพราะว่าดูดีๆแล้วก็ไม่มีตัวไม่มีตนมันเป็นนาคามันเกิดขึ้นหลับไปเป็นต่างหาปาตามพบชาติเกิด ก็ตัวตอนมันก็เกิดขึ้นไม่มีตัวไม่มีตนวพระพทธเจ้าก็บนรูปไปแล้วเป็นอนัตตาแล้วก็มันใส่ใจยึดมั่นถือมั่นตัวตน ได้แล้วก็ก็เราก็มันเาบาใจไม่จิตใจไม่หนักใจได้แล้วก็รู้ว่า นั่นแหละที่เห็นชัดว่าความโกรดก็เกิดขึ้นเพราะว่าเราก็มีความหวันความหวันความอยากปรารถนาที่ไม่อยากให้ตำไรฉันตัวตนเอโก แต่ว่ามันก็เป็นอ น, นิจจันต์บางทีก็ไม่มรูดไม่ทันก็รู้สึกว่าเศอรอ้าใจเสียใจเพราะว่าพัฒนาแต่แต่ว่าไม่ได้รับผมที่เราปรารถนาไว้ ก็เลกลุ้มใจเศร้าใจแต่ไม่เป็นไรเราก็ยอมรับมันมันก็เป็นนาการความเศร้าความกลุ้มใจแต่ยอมรับไปแล้วก็ไม่ได้เกิดความกรอดเพราะว่าความกรอดนี้ก็มันก็คิดอืสร้างไป ล้วเราก็ยอมรับที่อารมณ์ของเราที่เกิดขึ้นไปแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรไปทำลายอยากทำลายคนนี้คนนั้นอยากเขียยค้านตัวเองได้ ก็ไม่ได้กรดแล้วก็รู้ว่าโอ้เป็นเช่ น, นนั้นนี่ความกรดก็มันเป็นความหวันที่เราก็สร้างไว้ก่อนตั้งไว้ก่อนก็เลยไม่สมหวัน ก็เจ็บใจเศร้าใจล้ารู้ไม่ทันอีกแล้วก็เออกรอดคนนี้คนนั้นกรอดเราตัวเองอันนี้ก็เป็นธรรมะเราก็ดูแล้วก็เออก็เป็นอย่างนี้อย่างนั้นทุกคนก็มันรู้ไม่เท่าตัน แหงไม่แหงก็โดยมันก็อาการความโกรดเกิดขึ้นก็เป็นบทเรียนที่พระพุทธเจ้าบอกปัฒนาได้แต่ว่าไม่ได้ผลไม่ได้ คนที่เราพัฒนาไว้มันก็เป็นทุกมันเกิดขึ้นเออยังงี่แดเราเก้าใจแล้วก็เราก็หยุดอืมสติก็ดีสมาธิดูดีๆก็มันจบเรื่องได้ในปัจจุบันนี้ เรื่องที่เราก็คิดนึกอดีทำละเออทำผิดพลาดถ้าคิดไปคิดไปก็มันทุกข์ใจกลุ่มใจไปเรื่อยๆแต่ว่าเราก็รู้เท่ารู้ทันว่าเออนี่เราก็คิดเป็นอย่างนี้ ก็ไล้มันทุกอย่างนี้มันในปัจจุบันนี้อาการความทุกข์เกิดขึ้นอยู่เราก็ดูแล้วก็ก็มันเลือกได้มันสร้างเรื่องที่เรากำลังสร้างขึ้นมาแอนนี้ก็เปลี่ยนได้ ถ้เป็นเรื่องบทเดียนเรื่องบทเดียนก็คือว่าอาดีตอดีมันเกิดขึ้นที่เราก็ผิดพลาดเป็นในใจเป็นภาพถ้าเราว่าดาตัวเองว่าดาคนนั้นหรืออะไรคิดมากก็แก่ ไม่ได้ทุกไปเรื่อยๆแต่ว่ า, าก็เป็นบทเรียนผิดผ้าเพราะอะไร เ, เพราะว่าตอนนั้นเราก็ทำอย่างนี้ก็โทรไปก็ก็น่าจะทำอย่างนั้นจะได้สำเร็จต่อไปเราก็ผิดผ้านี้ก็มี มีสิ่งที่เป็นความสำเร็จอยู่ที่นั่นเพราะเราก็รู้มันก็ทำผิดภาพเพราะอะไรพราต่อไปก็ทำอย่างอื่นจะได้สำเร็จต่อไป เ, เรื่มบทเรียนไม่ต้นทุกข์เราก็เข้าใจแล้วก็มีปัญญาหนาก็ก็เราก็รู้ว่าเออเราก็กำลังคิดแล้วก็จิตภาพว่า ไห้สำเร็จต่อไปแต่ว่าเราก็รู้อันนี้ก็เราก็สร้างเรื่องแอนก็ทำอย่างนี้ก็จะออทาขยันทำในปัจจุบันนี้จะได้สำเร็จได้เราไม่ต้นทุกข์ การกระทำที่ได้ทำในบัดนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้สำเร็จต่อไปได้ก็เลยเราก็เอาใจใส่ทำนี้ทำนั่นที่ให้เป็นสำเร็จได้ ก็เราก็ไม่ต้องคิดกาำบนใจมันก็ใช้พลังมาก ส, สำหรับคิดทำให้ความเราความทุกข์แต่ว่าเราก็เอาใจใจพลังให้ทำในบัดนี้ปัจจุบันนี้ก็มันก็ใช้พลังให้ถูกต้น แล้วก็อนาคตจะได้มีผมได้ง่ายกเราก็วังเกินเรื่มไปเรื่มไปก็พยายามมาสดมีสติดูสุกตัว อาการอะไรก็ตามอาการต่างลบทางบวกเราก็ปฏิบัติการได้ถ้ามีสติแล้วก็เราก็เตือนเตือไม่ล้มไม่เผอไม่จ o นทุกด้วยการ กรปฏิบัติธรรมมีโกกาที่ดีการเริญสติให้เป็นนิสัยจะได้แล้วก็ต่อไปกลับบ้านไปทำหน้าที่ทำงานก็ใช้ได้เป็นทีมือ เัาถูกต้นปับกายกรับใจ่อไปเราทำไปเรื่อยๆจะได้มากป้อนนิปานเป็นที่เป็นค่ามีค่าของชีวิตของเราเราจะเพาะเราพุทธศาสนิกิจน ได้ฟันรมสัมผัสที่พระบุทธเจ้าสอนแผ่ของทางแผ่มาพรหนีผ่านก็ขอให้ทุกๆ ท, ท่านได้ปฏิบัติธรรมขยามมัมพียนัน ก็ได้มากกว่านี้ป่าในเดวเรดวนี้ทุกทุกคนเธอ